พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเกิดมาในโลกนี้ไม่น่าไว้ใจวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเมื่อวานฝนตกแรงพอสมควรแต่ไม่นานแต่พวกคณะสัตยาติโยมพระของเราในช่วงนี้วิทยุของหลวงตาขาดหายไปเกือบสองเดือนคอ เกือบสองเดือนเพราะว่าเกี่ยวกับคชชเขาเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเขาก็ให้สั่งระงับทุกสถานีของเราก็มีเป็นส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนีก้กำลังดำเนินการจะเปิดอีกก็คงไม่นานมั่งเราก็ขึ้นป้ายฝังวิทยุ ของหลวงตาพระมหาเถระได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเราขึ้นไปลายไว้นะแต่เดี๋ยวนี้มันอธิจังกลับบอกว่าฟังไม่ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วงนี้นะฟังวิทยุหลวงตาไม่ได้ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงในช่วงนี้นะแต่เอกไม่นานเขาคงจะ เปิดได้นะดันั้นถ้าเปิดไม่ได้ก็อา้าเพื่อการศึกษากอ็อ่านหนังสือประวัติหลวงปูมั่นปฏิปทาพระตุลวงกรรมฐานธรรมเทศนาของหลวงตาแบนดวงใจอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเราสู้ก็ไม่ถอยอ่านนั่นสิ หนังสือมีต่างเยอะแยะไปเพื่อการศึกษานะในห้องสมุดเราก็มีเยอะทั้งฝ่ายส่งทั้งฝ่ายญาติโยมก็ที่ครัวถ้าไ่าในการศึกษาก็อเอาไปศึกษาเอาไปอ่านแต่หลวงพ่อเองก็บอกไว้แล้วว่าการศึกษาการอ่านประมาณ2ี่ปรซให้ให้ตั้งใจภาวนา ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติ80ดสเปอถ้าหากว่าพวกเราภาวนาได้กําลังทางด้านจิตใจใจเป็นหลักใจเชื่อมั่นใจเชื่อในบาปบุญคุณโทษใจเชื่อในกรรมคือการกระทําใจของเราเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดอ เราเชื่อมั่นในตนเองการศึกษามันเป็นไปเองแต่ถ้าเรามีแต่การศึกษาอย่างเดียวมีแต่อ่านแต่ตำรับตำราอย่างเดียวเพราะอ่านไปอ่านมาก็ชักจะไม่เชื่อในตำราตำราอีกหลเท่า น, นจริงหรือเปล่าตำราเนี่โกหกหรือเปล่าโกหกกันมาเป็นทอดๆอดหรือเปล่าเนี่ยแหละอันนี้คือเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับเราเมีคนหนึ่งบรรยาย สรรพคุณเรื่องอาหาร เ, รเรดลิศเลิศรสอย่างนั้นอ่อาหารเลิศรสอย่างนั้นเลิศรสอย่างนี้อแต่เราไม่ได้ทานะเราก็เอคนโบราณ เ, เขาโกหกหรือเปล่าะแต่ได้เราก็ทดแรงทดลองเลยซิตกแต่งเรื่องอาหารดูซิเป็นยังไงในเมื่อเราเตรียมอาหารทำอาหารอย่างที่เขาบอกเราจะได้ชิมเดลิศรสหรือไม่เดลดิศรส เราจะรู้ได้ด้วยตนเองนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปัจจัตังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะฟังศึกษาและก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติสําคัญปริยัตคือการเรียนปฏิบัติคือลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติไปแล้วปฏิเวทปฏิเวทธรรมจะเกิดขึ้นมา ตามขึ้นมาถ้าจะเปรียบเทียบกันปริยัติเนะี่ยคืออะไรคือเรียนหนังสือเรียนวิชาแพทย์วิชาหมอเรียนปฏิบัติคืออะไรคือมรักษาคนไข้นําวิชาที่ได้เรียนมาแล้วนะ่ะมารักษาคนไข้ในเมื่อคนไข้เข้าหายหรือว่าเป็นค่าตอบแทน เ, เขาจะเอาเงินให้หมอหมอก็ได้เงิน พอได้เงินหมอกขาเอาเงินไปใช้อะไรก็ได้เป็นประโยชน์อันนั้นคือปฏิเวทการได้เงินหนึ่งคือปฏิเวทการรักษาหนึ่งคือปฏิบัติการเรียนหนังสือนว่าปริยัตินี่แหละให้เราพวกเราให้ศึกษาให้เรียนรู้เอาไว้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้คือเป็นภาษาบาลีแต่เราจำแนกออกมาแล้วก็ปริยัติ คือการเรียนหนังสือปฏิบัติคือลงมือทำงานปฏิเวทคือผลของงานเนี่ยอยากจะให้พวกเราปฏิบัติเราเรียนรู้พอสมควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติอยากจะให้พวกเราลงมือปฏิบัตินั่นแหละส่วนปฏิเวทนั้นผลจะออกมาพวกเราจะเป็นที่ยอมรับทางว่าพวกเรามี อ่านแต่ตำราปริยัติอย่างเดียวเนพะือเพมันยังสงสัยไม่เชื่อในการเรียนของตัวเองตํำรับตาราอีกนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นได้นะลูกหลานนะเพราะฉนะนั้นหลวงพ่อเข้ามาอยู่สู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อจึงให้ปฏิบัตินะภาวนาณนะ์นั่งภาวนาณนะ์เอาจริงจังนะหลวงพ่อจะสอนอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อทราบข่าวะคณะสัาญญาตยาธิโยมลูกหลาน ข่าวโลกมันดังอยู่ทุกวันนะคือข่าวเรื่องสลดสังเวชใจ เ, เครื่องบินของมาเลเซียตกอยู่ในระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะว่าถูกยิงนะด้วยด้วยจรวดนะคนทั้งหมด200 2 9 0กว่าชีวิตในเครื่องบินลำนั้นตกตายหมดมันจะอยู่ได้ไงตกมาจากท้องฟ้านะแตกกระจุยกระจาย หลวงพ่อไอ้หัวใจทําด้วยอะไรทําไมเครื่องบินโดยสารก็รู้แต่ทําไมกล้า ย, ยิงคนโดยสารอยู่ที่นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกต่างหากทําไมจึงใจจึงขนาดนั้นนะหลวงพ่อมีแต่คิดเท่านั้นเองที่เรื่องเขา่าววันที่สิบเจ็ดวนนี้ก็วันที่ยี่สบสองแล้ว อยู่ทางที่ขณะที่ยิงอยู่ในเมืองเขาก็ประมาณหโมงเย็นพระอาทิตย์ของยุงไม่ตกมั้งหโมงเย็นแต่เมืองไทยเวลาในเมืองไทยประมาณสี่ทุ่มของวันที่17เจกรกฎาห้าเจ็ดคนตายทั้งสองกว่าคนเป็นฝรั่งทั้งเอเชียทั้งฝรั่งขึ้นเครื่องบินนี่แหละ หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็เออโลกในไบหน้ามาเกิดแะลูกลาเนะี่ยพร้อมที่จะตายในทุกเลรมเวลาไม่ใช่ว่าขึ้นเครื่องบินไปแล้วปลอดภัยอยู่เดินถนนเนี่ยเสี่ยงมากกว่าถ้าเปิดเจอเขาอย่างงั้นแล้วก่อนนั้นตายได้ง่ายๆเพราะนั้นชีวิตของพวกเราอยู่รัศฐานที่ใดอย่าไปไว้ใจในชีวิตการเกิด เกิดขึ้นมาแล้วนะพร้อมที่จะตายด้ทุกเวลานั่งเครื่องบินก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยแต่ลก่อนก็หายสาบสูญไปเมื่อไม่นานมาเลเซียนี่สอ ง, สองครั้งละปีนี่ระยะไม่ห่างกันเลยขนนั้นก็หายไปไม่รู้หายสาบสูญไปไหนหายจนไม่มีตี้ว่แววร่องรอยอ ทั่วโลกก็ค้นหาจนไม่ไม่เจอข่าวนี้มันเจอจะลวดอีกเครื่องบินรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเดียวกันบรรจุคนเกือบสามร้อยไม่ใช่เครื่องเล็กนะบินเป็นหลายหมื่นเป็นหลายหมื่นฟุตมาบินสูงนะนี่แหละอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือเกิดมาในโลกเนะี่ย ไม่น่าไว้ใจไ ม, ไม่น่าไว้ใจในการเป็นอยู่อีกต่างหากแต่ทุกคนที่เกิดมาในโลกไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือให้เรามองมองตลอดถ้าเรามองอย่างนี้เนะี่ยมันได้อะไรหลวงพ่อนะ่ถ้ามองเนะ่ยมิตรเศร้าหมองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถ้ามองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้มองถ้าเมื่อมองอย่างนี้แล้ว เราจะรู้จักวิธีการหลบหลีกวิธีการปฏิบัติกับตนเองอย่างไรอย่าลุ่มหลงอย่ามัวเมาอย่าชาราใจว่าชีวิตของเราจะตายไม่เป็นเพราะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วเกิดอีกนะเนี่ยคำนี้แหละอรองรับเราอยู่แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราลันหันหลังให้ก็สุดแท้แต่ เหมือนกับเราไม่เชื่อเรื่องอะไรบางทีเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะ เ, เป็นตอหินนะเดี๋ยวอีกไม่นานตาบอดนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เชื่อไม่เชื่อกับ ส, ส, สุดแท้แต่คุณแต่ถ้าว่าคุณปฏิบัติตนอย่างนี้ก็จะมีหนทางพอจะหลีกเลี่ยงได้นะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อกับสุดแท้แต่เราพอตาบอดเข้ามาแล้วก็ จะทำยังไงนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทัา้วมดตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือใจให้คุณพิสุทธิ์ให้ท่านพิสุทธิ์เราเป็นเ พ, พียงแต่ผู้ชี้นำชี้แนะให้เท่านั้นเองส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของพวกท่านถ้าว่าพวกท่านไม่เชื่อในศาสนาของตถาคตนี่ ศาสนาภาษีอ่านยังรออีกไปเกิดอีกเชื่อไหมไม่เชื่อเอาต่อไปอีกพระพุทธเจ้าองค์อื่นอีกเชื่อไหมไม่เชื่อเอาต่อไปอเอกมันมีมากมายต่อไปภายภาคหน้าแต่ถ้าเราเชื่อนะวิธีการอยากจะให้เชื่อนะทําอย่างไรพระพุทธเจ้าอบอกให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกในเมื่อลมมีสติสัมปชัญญะแล้วจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยมันเป็นคนละอ่านกันแต่ร่างกาย มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าคืออันนี้คือร่างกายส่วนนามธรรมคือตัว ร, รู้อยู่เดียวเนี่ยคือตัวรูนะ้น่ะมาใช้สมองสั่งการให้ร่างกายอย่างหลวงพ่อเนี่ยใจสั่งใ ห, ให้สมองให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อกับพูด แต่อีกสักวันนึองสมองก็ล้าเครื่องมือก็ไม่ดีฮเครื่องมือก็คือร่างกายตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีปากก็ไม่ดีลิ่นก็ไม่ดีอถึงจะมองจะสั่งขนาดไหนก็มันก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเครื่องมือมันไม่ดีเหมือนกับเข็มเย็บผ้าท่าว่ามีเข็มมีเข็มมีได้มันก็เย็บผ้าได้อ แต่ว่าสมองจะสั่งให้เย็บขนาดไหนก็แต่มันไม่มีเข็มมีด้แล้วจะทำยังไงมีแต่หาไม้กลัดมากลัดไว้เท่านั้นเองนะเอเพราะอะไรเพราะมันทำไม่ได้มันไม่มีเครื่องมือนี้ก็เหมือนกันเครื่องมือก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ไปตามบัญชาของใจที่สั่งและจะเป็นยังไง เ, เพราะนั่นใจ สั่งไปสั่งมาสั่งมาสั่งไปผลที่สุดลมหายใจหมดหัวใจหยุดเต้นไ อ, อตัวที่รู้ๆแต่ตัวนามธรรมล่ะจะอยู่ได้ยังไงทีนี่พอมันหยุดละ่ะร่างกายหยุดเต้นหยุดทำงานผลี่สุดก็ตายพอตายทีนีใจตรงนั้นเกิดออกจากร่างแต่นามธรรมาไปหาเกิดที่อื่นอีกนะตายแล้วเกิด จุดนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดไปหาเกิดที่ไหนเกิดตามกรรมพระพุทธเจ้ากรรมคือการกระทำถ้าเจ้าทากรรมดีเจ้าจะไปเกิดในที่ดีถ้าเจ้าทำบุญเจ้าก็จะไปเกิดในบุญกุศลจะไปส่งให้ถ้าว่าเจ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลเจ้าจะต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทร้ฉาน ไปได้ทั้งท่านไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรมีเยอะแยะไปในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพรื่อนั้นให้พวกเราพิสูจน์นะ เ, เมื่อฟังแล้วก็ให้ฟังเอาไว้พวกฟังแล้วเอาไปพิสูจน์ไปนั่งภาวนาดูจริงไหมนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มันท่านก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละแต่ท่านไม่สงสัยเฉย ไม่ปฏิเสธในเมื่อท่านรับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าและท่านก่อนเนี่ยแ ส, สวงหามุมสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าแสวงหานี่ไปอยู่ตามลําพังถึงหปีนี่หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลวงตาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเนี่ยก็เคยทํามาแล้วไปอยู่ที่ภูผาป่าไม้ตามลําพังองค์เดียวเสียงตายเหมือนกันท่าวังงูกัด อะไรกลางค่มกลางคืนจะไปที่ไหน เ, ออเราจะไปหาใครไกลจากหมู่บ้านเป็นกิโลกิโลจะทำยังไงเอา้าทำยังไงเกิดมาแล้วตายถึงงูไม่กัดมันจะตายอยู่แล้วนะกรรมฐานครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านคิดถึงความตายเท่านั้นจะอยู่ยังไงจะไม่ตายาไปอยู่สวรรค์ชั้นชั้นไหนไปอยู่ปราศาสตรราชมณฑลเทียนที่ไหนอยู่ตึกชั้นไหน อยู่ในกรุงเทพสูงสูงเถึงข่าวมาแล้วก็ถึงข่าวถึงจุดจบทุกคนเพราะอะไรเพราะเกิดมาตายเพราะนั่นเราจะไม่ตายเหรอนี่นี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าท่านดูดูใจดูกายดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายก็คือดูร่างกายที่เราเห็นกันนั่งเกศาโลมาน่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ร่างกายของเรามีกระดูกเป็นโครงสร้างเป็นโครงเหล็กถ้าว่าถอดกระดูกออกทุกซี่ดูสิเหมือนกับกระเป๋าหนังที่ใส่น้ำานมันหุ้มล้วก็ะเละอยู่กับพื้นมันไปไหนไม่ได้กระดูกมันหมดที่พวกเรานั่งอยู่เป็นรูปร่างกลางคนเพราะกระดูกอยู่ข้างในจริงไหมใจจริงไหมถามดูสิหรือไ ม, ม่จริงบอกว่าจริงนึก่อจริงนล้วนะ อันนี้คือร่างกายนะแต่ใจใต้องดูนะคือนามธรรมต้องดูนะนี่แหละให้ดูนามธรรมคือดูใจของตนเองแต่จะดูยังไงต้องมีสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พ่ะพุทธเจ้าพลาดําเนินพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติจากนั้นท่านว่าจิตเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองอ ผลผลในสุดท่านก็บอกว่าเนี่ยที่มันหลงทุกวันเนี่ยเอหลงตัวเองบ้างหลงความร่ํำรวยตัวเองบ้างเอหลงญาติพี่น้องบ้างหลงลูกล้านบ้างหลงยศถาบรรณาสักบ้าง อ, อ, อย่างห ล, ลงพระ อ, อินทร์นี่ก็หลงลูกศิษย์ลูกหาหลงสาหลงสาลาอหลงออบุญยาบา ร, รมีของตนเองมันหลงะ อีกสักวันหนึ่งเนือหลงพ่ออินนะหลงพ่ออินเอกไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะทิ้งทั้งหมดนะหลงพ่ออินนะนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าหลงพ่ออินลืมตัวก็หลงไปอย่างนั้นน่ะถ้าหลงพ่ออินไม่ลืมตัวก็หลงอีกสักวันหนึ่งนะจะทิ้งทั้งหมดเพนะราะฉนั้นสิ่งไหนเป็นคุณงามความดีอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมต่อตนเองต่อวัดวาศาสนาให้ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่าตั้งอยู่ในความประมาท อีกสักวันหนึ่งต้องทิ้งทั้งหมดนะอันนี้คือในใจลึกๆให้คิดอย่างนั้นแต่ละคนนะอย่าไปลืมตัวถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, ะะนั้นะบันลายว่าตัวเองจะไม่ตายจะอยู่กับลูกกับหลานโชคฟ้าดินฉลายกีบ่าตัวเองห่วงลูกห่วงหลานพอตายไปแล้วก็ใช่พอตายไปแล้ ว, ไ ป, ลวไปเกิดกับเขากเกิดไม่ได้โผลนิูุกไปเป็นตุกแกโผหอกมามองเขาอยู่ทั้งวีทั้งวัน เพราะอะไรเพราห่วงเขาเป็นหนูเป็นตุกแก่เป็นจริงจกเป็นได้ทั้งนั้นเพราะเราเป็นห่วงเขาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าห่วงอย่าห่วงคนอื่นให้รู้เท่ารู้ทันเกิดมาในโลกในพึ่งพาอาศัยกันชั่วการเท่านั้นนะจากนั้นก็แยกย้ายกันไปไม่มีพี่ไม่มีน้องถึงเขาตายไ่และอต่างคนก็ต่างไปในอดีตชาติข้าพเจ้าเคยเป็น พ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณะญาติเป็นญาติมิตรสหายเกิดมาพบนิชาินี้ก็ได้ญาติใหมอ่อีกบางทีเพอๆพวกญาติเก่ามาเกิดร่วมกันอีกก็ได้แต่ถึงอย่างไงก็ตามอันนั้นคืออดีตมันผ่านไปแล้วปัจจุบันมีคุณค่าที่สุดให้อยู่ในปัจจุบันมีคุณค่าที่สุดขณะนี้เราทำอะไรขณะนี้ใจของเราเป็นยังไง เรามีความเชื่อมั่นบุญกุศลเพียงพอหรือยังที่เราจะตายแล้วเราจะไปที่ไหนเราคิดได้หรือยังเราคิดไว้หรือยังสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใช้ปัญญาสรุปแล้วหลับพรอ น, อนุโมทนาให้พร